นิทานเรื่องที่7จ็ดเมื่อพระเจ้าตริวิกรมเสนเดินกลับมายังต้นอโศกกอบขวาเอาซากศพพาดมาแล้วเสด็จกลับมาทางเดิมแล้วเวตาลก็กล่าวขึ้นอีกว่าอ้ราชาจงฟังหน่อยข้าจะเล่านิทานสนุกสนุกถาวายท่านอีกสักเรื่องจะได้คลายความเหนื่อยของท่านลงบ้างในอดีตการ มีเมืองแห่งหนึ่งมีชื่อว่านครตามระริปติมีกษัตริย์ปกครองนามว่าพระเจ้าจันทสิงทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความกล้าหาญได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาโดยตลอดต่อมาได้มีราชบุตรยากจนผู้หนึ่งนามว่าสัตวศิ์ได้ถวายตัวเพื่อเป็นข้ารับใช้ด้วยความสงสารพระองค์จึงได้รับไว เวลาผ่านไปสัตว์ีส์เกิดความน้อยใจที่ตนทํางานให้มานานแต่กลับไม่เคยได้รางวัลตอบแทนแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมกับเห็นใจค่าบริวารของเขาเองที่ต้องขัดสนเช่นเดียวกับตนเองในการต่อมาพระเจ้าจันทสิง์ได้เสด็จออกล่าสัตว์ป่าโดยมีสัตว์วสีพร้อมค่าราชบริพารตามเสด็จ ขณะกระบวนกำลังเดินทางอยู่นั้นมีหมูป่าตัวหนึ่งได้วิ่งตัดหน้ากระบวนไปพระองค์ควบม้าติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนถึงบริเวณป่ารกชัดหมูป่าตนนั้นก็ได้อันตรทานหายไปรู้ตัวอีกทีก็ทรงหลงกับขรร้าราชบริพารคนอื่นมีแต่สัตว์วสีเพียงคนเดียวที่ตามมาทันเมื่อตามหาหมูป่าไม่พบด้วยความเหนื่อยอ่อนพระองค์จึงทรงนั่งพักลงณที่นั้นและให้สัตว์วส หาแหล่งน้ำเพื่อคลายความกระหายสตวะศีลรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเพื่อมองหาแหล่งน้ำเมื่อพบแล้วก็ปีนกลับลงมากราบทูลไม่นานเขาก็พาพระราชามาถึงยังแม่น้ำพระราชาทรงส่งวน้ำให้ลำธารและปล่อยม้าให้ลงอาบน้ำเกลือกระิ่งในลำธารจนพอใจเมื่อพระองค์สงน้ำเสร็จแล้วสตวะศีลก็ได้ถวายมะขามป้อมแก่พระราชาพระราชาทรงถามว่าเขานํามาจากไหน เาจึงตอบว่าข้าพระองค์ได้สวยผลไม้นี้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วข้าพระองค์ได้ถวายงานต่อพระองค์ด้วยความจงรักเพิกดีแต่พระองค์ไม่ได้ประทานอะไรแก่ข้าพระองค์เลยจำต้องยังชีพด้วยผลไม้แบบนี้มานานแล้วนี่ข้ามองข้ามทุกสุขของพวกเจ้าได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเมื่อพระเจ้าจันทสิงทรงพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้ว สัตว์วสินจึงได้นำทางกลับพระนครด้วยความจงรักภักดีนี้เองพระเจ้าจัทนทสิงจึงได้ประทานทรัพย์สินมีค่าให้แก่สัตว์วสินอย่างมากมายจนเขากลายเป็นคนร่ำรวยแต่กระนั้นก็ยังกลิบัติพระราชาอย่างไม่ขาดตกบกพรอ่องเวลาผ่านไปพระเจ้าจัทนทสิงได้มีรับสั่งให้สัตว์วสินเดินทางไปสู่ขอพระธิดาแห่งเกาะลัญยาง ในระหว่างเรือแล่นอยู่กลางทะเลนั้นก็ได้มีธงทองคำผุดขึ้นสูงจนเสียด ฟ, ฟ้าท่านใดนั่นเองก็งเกิดพายุซัดกระหน่ำบังคับเรือให้แน่นเข้าสู่ใจกลางที่คงปักจูตรงนั้นผู้คนบนเรือต่างบีดร้องของให้พระราชาช่วยแต่สัตวศวีทู้กล้าหาญได้คว้าดากระโดดลงน้าตกลงเข้าไปหาธงทองคำเพื่อหาสาเหตุเรือลานั้นถูกกระแสื่นพัดจนจมหายไปส่วนสัตววีนั้น จมลงไปยังคนหนเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในพระราชวังแห่งหนึ่งที่ถูกประดับตกแต่งด้วยทองคำมีทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกับกระจกกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของเทวัยพระแม่ธุรคาสัตวสีนจึงได้เข้าไปสการะในขณะที่จิตใจยังคงสับสนว่านี่คือความฝันหรือความจริง ในระหว่างนั้นก็มีเทพอับซอนตนหนึ่งเข้ามาสักการะพระเทวีความงามของนานทาให้สัตว์วสิห ล, ลงไหลเป็นยิ่งนักเมื่อนางสักการะเสร็จเขาก็ได้แอบสะกดรอยตามไปจนมาถึงนครแห่งหนึง่งซึ่งมีความงดงามไม่แพ้นครแห่งแรกนางได้เดินทางเข้าไปในอุทยานและนั่งลงบนแผ่นทองสัตว์วสนจึงได้แสดงตนพร้อมนั่งลงเคียงข้าง จ้องมองใบหน้าที่งดงามของนางอย่างลุ่มหลงจนนางยิ้มให้แล้วกล่าวว่าท่านคืออคันตุกกะของข้าเชิญท่านไปอาบน้ำให้สบายตัวแล้วกลับมารับประทานอาหารเถิดเขาได้ตามสาวใช้มายังสระน้าในขณะที่เขาดำลงในสระน้านั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาก็พบว่าตนเองมาอยู่กลางอุทยานของพระเจ้าจัสิงสร้างความเสียใจแก่เขามาก เพราะเขาต้องการจากเทพอับซอนมาโดยไม่มีวันได้พบกันอีกทหารตรวจการมาพบเขาๆจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าจันทเสิยงส่งทราบ พ, พระองค์ได้เสด็จมาถึงก็พบว่าสัตว์วสีลอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาเป็นยิ่งนักจึงได้สอบถามถึงสาเหตุที่เป็นเช่นนี้สัตวศสีนจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเมื่อพระองค์ได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็คิดหาทางช่วยค่ารับใช้ผู้ซื่อสัตว์คนนี้ให้สมหวังตอบแทนมุนคุณที่เคยช่วยพระองค์ไว้วันรุ่งขึ้นพระราชาและสตวสินได้ออกเรือแล่นสู่เมืองมหัศจรรย์เมื่อมาถึงยังกลางทะเลพบธงทองคำขุดขึ้นมากลางน้ำสตวสินจึงกระโดดนํำพระราชาไปก่อนไม่ช้าทั้งสองจึงมาถึงนครอนอุนงดงามพร้อมกันหลังจากทั้งสองได้เคารพพระแม่เจ้าแล้ว ก็ได้พบกับนางอับซอนตนนั้นสตวศีลจึงรีบกล่าวว่านี่คือนางคนนั้นที่ข้าคิดถึงทุกคืนวันแต่พระราชานั้นกลับไม่รู้สึกหลงไหลนางแม้แต่น้อยฝ่ายนางอับซอนคิดว่าตนควรจะไปถวายการต้อนรับอย่างดีเพราะเห็นว่าพระราชามีเกียรติสูงสุดจึงเข้าไปกล่าวทูลเชิญด้วยไมยตรีแต่พระราชากลับเมินเฉย และทรงตรัสเพียงว่าพระองค์มาเพื่อเคารพพระแม่เจ้าเท่านั้นนางอับศรจึงได้เชิญทูลพระเจ้าจันทสิลป์ไปเที่ยวชมอุทยานอันสูงงดงามพระองค์ก็ได้เสด็จไปตามคับเชิญเมื่อเที่ยวชมอุทยานแล้วนางอับศรได้นําไปยังตำหนักทองพร้อมเชิญทูลให้นั่งลงบนบันลังแก้วและเล่า ว, ว่าข้าเป็นที่ดาของอสุรกายเนมีซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ข้าจึงได้ปกครองนครแฝดอันงดงามแห่งนี้ผู้ใดได้ครอบครองทั้งสองนคร น, นี้จะเป็นอมตะไม่มีวันตายท่านเป็นคนดีมีเมตตาข้าจะมอบนครแห่งนี้ให้ท่านครอบครองเมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทรงแย้งขึ้นว่าัตวสศีลตั้งหากเล่าที่ควรค่าแก่การได้ครอบครองข้าขอสละสิทธิ์อันนี้ให้แก่สหายรักของข้า เมื่อนางอับซรได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความปีติในการตัดสินใจของพระเจ้าจันทสิง์นางได้น้อมรับสัตว์ศีลเป็นคู่ครองจากนั้นทั้งสองได้ปกครองนครแฝดแห่งนี้ยังมีความสุขชั่วนิวรันด์ส่วนพระเจ้าจันทสิง์ได้เสด็จกลับนครตามาระลิปติพร้อมด้วยกระบี่ปราบสกลทิตและผลไม้วิเศษกินแล้วจะมีอายุยืนไม่แก่ไม่ตายที่นางอับสรได้มอบให้เป็นสิ่งตอบแทน นิทานของข้าจบลงแล้วแต่ข้าอยากถามท่านว่าใครเป็นผู้กล้าที่สุดในการกระจนลงทะเลคนที่กล้าที่สุดก็คือสัตว์วสินเพราะเขากระจรลงทะเลโดยที่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเมื่อลงสู่ทะเลที่ปั่นป่วนเพราะพายุร้ายแล้วจะ ต, ต้องพบเจอกับอะไรบ้างส่วนพระราชานั้นรู้แล้วว่าเมื่อลงไปในทะเลแล้วจะต้องพบกับสิ่งใดบ้าง เมื่อพระราชาตรตัสเตตานก็โหวดล อ, อกก้องฟ้าแล้วลอยหายไปอีกครั้งผู้กล้าคือผู้พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาแม้ไม่รู้ว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้าง